เมื่อมีสมาธิภายในที่จะมาอะไรจึงตกออกได้หลุดออกได้เป็นปัญญาในใจเป็นสัญญาเหมือนที่เราจํามาเข้าใจประจักษ์ในตามเห็นตามเป็นของตัวถึงโลกมันจะจนอยู่อย่างไรที่เราเคยรุ่มหลงแล้วก็ทราบว่าโลกนั้นเราลุ่มหลงแต่เก่าก่อนเพราจิต ของเราไม่เห็นไม่เปนอย่างนี้มีปัญญาที่เราเราพอใจไม่ใส่เพียงเหล่านั้นมันตกมันหมดออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีแต่ถ้าปัญญาเรารอบคอบทั่วถึงในสิ่งต่างๆจึงไม่หลงไหลใจฝันความงิดคิตึงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันสงบมันรู้ทั่วกม่มีอะไรมาดั่งยุงจิตใจให้ไปสัน เอียงๆไปตามเรื่องต่างๆจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตก็สบายจะเกิดจะตายก็ไม่มีการหวั่นไหวเพราะเราไที่เจ้านมามาทั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเกิดขึ้นก็ดีดับไปก็ดีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับที่มารู้เรื่องเกิดเรื่องดับคืออะไรเราท้าความรู้ต้องรู้ความรู้อีกไม่ใช่แบบรู้เพียง เรารู้ผิวผินของนี้เป็นตำยาตำยาที่เขาจะจ่ายสาญญาเสวนคือความรู้สิ่งเหนือความรู้ของเราที่มีอยู่นี้อีกขั้นหนึ่งคือรู้มารู้ผิวอีกจิ่งรู้ว่าอันนี้เป็นสมดอันนั้นเป็นยีมุดซึ่งไม่มีอะไรที่จะมากรอกเรื่องสิ่เหล่านั้นให้เชื่อให้เสียไปยิบได้ นี่คือความเข้าใจความเห็นจริงในการประปฏิบัติทุกคนมีสิทที่จะไปะปฏิบัติในรูปอาจเห็นทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าเอง้องกว่ามนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์แล้วเราผิดแตแกแตกต่างอะไรกันกับท่านเึงจะมาหมาตัวเองว่าหมดอำนาจวาสนาในฐานะที่จะประบัติปฏิบัติได้ นี่เรื่องสังขารนามกิเลสถึงมาหล่อเรี้ยงจิตใจไม่ให้ตงหนาต่างตาแต่เพืปฏิบัติตัวท่องตัวหลัปฏิบัติไปแล้วจะไมเห็นผล อ, อะไรมันมาเยื่ อ, อยุอไม่ <c oughs> มาจะทิดเลยเชื่อไปตามเลือดของมันถ้าเลือกถ้าเชื่ออย่างนั้นมันก็จะมีทางที่จะปฏิบัตบิได้แต่เพื่อใจเจ้า ท, ท่านมีกายมีใจเหมือนเราไม่ใช่หรือทําไมท่านต้องปฏิบัติบ้า ทวาุ emin, ่งความยงความเพลิดความเพลินัองพระพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ตระหนท่านก็มีอยู่เหมือนกันใ่อย่างนั้นจะมีเราเห็นเกิดขึ้นมาหรือเด่นราคาปัญหาท่านก็มีกวดเล่ยงดำมีเหมือนกันกับพวกเราท่านี้จริงหรือท่านมีทาตอบจริงเรานีมีอยู่เราต้องฝึกปฏิบัติชระสาสางมันไป หากเราหม่ทำรักษาสางปล่อยมันไว้มันก็มีทางที่จะเห็นความสว่างสวัยเป็นความสุขของใจอันแน่นอนเพราะิ่เหล่านี้หลอกหลอนสาธาจิตอยู่ตลอดเวลาในว่าเด็กในว่าหนุนสาวหรือผู้เฒ่าผู้แก่อย่างโลกโกดหลงนี้มันมีประจําแต่ไหนจะไรมา กิเลสปัญหาจะให้มันตกไปตามมันตามเวลาตามวัยของคนเติมไปใน่ได้ถ้มันเป็นไปได้ควรแก่ตั้งแหมดที่เลสปัญหาในต่างสาระแบบเพื่ปฏิบัติมันก็ถึงที่สุดยิ่งมันไมได้เหมืนกันนี่มันเป็นอย่างนั้นจะแก้ขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลไฝฝันในเรื่องของกิเลส นั้นทำจึงให้สำลักส า, า, าสางทางพุทธศาสนาทือคนแก่กับทางโลกทือคนแก่ผิดกันพุทธศาสานานั้นท่านสอนว่าคนใดจะเป็นเด็กหนุ่มสาวอยู่ก่าตามหากคนนั้นไม่มีตามาทีเลกัดจินใจไม่มี กิเลดเผาใจในเดือดร้อนเพราะความไข่ในกิเลสคนนั้นผ่านถือว่าคนแก่จะเป็นหมเป็นเด็กอยู่ก่าตามถือว่าคนแก่แต่เรื่องท้างโลกคนที่แก่นั้นหมายถึงคนที่มีอายุมากผมขาวฟันหลุดฟันเลื่องไป ตาผัวตาฟางใจเหนื่อหนังเหนืยแหงคนเหล่านั้ น, น, น, นโลกผีหลักคนแก่แต่มันแก่เรื่องของฟังสารแก่เรื่องของใจ ใ, ใจเนแก่ยังหลงไหลใส่ฟันยังบ่ายังบอในสิ่งต่างๆน า, านาไปได้แต่คนแก่ฟังสาสนาแก่ที่ไม่มีวาคาปัญหาแถบเผาจิตใจ หยุใจทั้งแผ่นเป็นผู้ใหญ่หยุดใจทั้งแผ่นแก่ไม่วั่ไหวไปตามพันยาอารมณ์ต่างๆได้เพราะอาศัยการพิจารณาตามการฝึกทำการปฏิบัติใจถเราพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างที่เราคิดจึงเศร้าขันต่างๆนั้นมันจะหายไปจากใจของเราที่เราไปกำหนดยินดี สงสัใสหวว่ะเสืออย่างนั้นงามอย่างนี้หรืออันนั้นของเราอันนี้ของเรานั้นเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะภายในแต่เรามีธรรมะภายในมันไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอันเราไปพิจารณาแยกคายภายในที่สงสัยว่ามันเสือมันงามก็อยากแยะจะดูที่ไหนมันเสือมันงามกันแน่นี่คือการพิจารณา สมัติฐานหยุดคืออาจารย์เนี่ยสอนด้วยพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยสอนก่อนจะบวชโยยสาโรมาณนถะาฐานตาตะโจสอนกันทุกคนก่อนจะมาบวชนี่คืออาวุธต่อสู้ลอบขบกัดกับหยตดใจที่เคยค่อยคิดเปลีนแปลงต่างๆที่โยนาให้เถกถึงให้เข้าใจไม่จสิงเหล่านี้ผมมันงานมันดีจริงเหลอตกไปภาสนอาหาร ตกไปเถื่อนน้าดืนเราสามารถดืนได้มั้ยผลอยู่บนที่สะเราโกนมาได้วตัดออกมาทิ่ไไปที่นั่งที่นอนสะอาดสวยงามมั้ยที่เย็นาเหตุเถื่อถึงที่มันงองามขึ้นมันงองามขึ้นจากอะไรก็เหมือนกักับหญ้าที่ไหนมีปุ๋ยมีน้ำมันก็งอกงามขึ้น ผมของเรางดงามขึ้นต่เหมือนกันมันอาศัยเบืออาศัยกินเลือดน้ำเหลืองของเรามันจึงก็งดงามขึ้นแย่ามันสวยงามที่ไหนอะขนก็เหมือนกันมันก็ประเภทของผมมันงาดงามตามเหนือตามตัวของเรามันก็เกิดจากน้ำเลือดนเหลืองเองคี่มันก่อเกิดเลือดงด ออก ก, ก็เห้ืนกันไม่ใช่เืาสวยเขา ง, งามอะไรข่งเหล่านี้มีคนขาดอะไรอะไรเอาไปผัดไปทอดมีคนชอบไหมกินกันไหมมี ใ, ใครชอบฟันก็เหมือนกันตกเยินลงเสในหมอในไห้ในถือ่อในจานอะมี ใ, ใครที่จะทานจะดื่มถ้าตกใสน้ําไ ป, าไปอาหาร เขาเหยีบไดาถได้กกัตกยิ้มหนังก็ยิ้มใบปันใหญ่จะทําไมจีนไปหลงไหลว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามก็อพรค่เราม่เด็พทจาตามเป็นจินพวกมันทะโลออกมาด้วยสิหนังขงคนจะไปทำกระเป๋าไปทารองเท้ามีคนนิยมไไปขาไปยืนไปขวไปยงมีคนมยอมไหไม่เท่านั้นหนังขอวคนไ้ยก็ไม่ชอบ แต่ทาไมละเมื này, ่ออยู่ในกายจึงไปหลงไหลยิ่งถปภายในตัดปลใส่พงมันมันสวยน่งามไหมลองดึงเอาใส่อยู่ใยท้องขงเราออกมาทิ่งเอาไว้ข้างหน้าของเราดูล้วมันสวยมเนี่ยใส่พุงทั้งตัวเป็นอย่างไรส่พุงทั้งคนอื่นที่เราเกิดความรักความชอบใจเรักาปัญหามันกว่าทํานองเดียวกันนันมีอะไร ที่จะคิดแตกแตกแตกต่างกันเพราะฉิมที่มีในเรามันมีในเขาถูกใเมื่อเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นจะมีอะไรท้งสัจิตบางกันล่ะถ้าเนจริงในจิตในใจอย่างนั้นนั่นก็จะเกิดราคาปัญหาที่ทางรักษาจิตใจทางแก้ไขความคิดต่างๆถ้าจะพิจารณาเป็นธาพ มันกดพิเจานาได้พิเจม า, าเป็นอสุธาอสุาอาตังปฏิปุเรนมันกดพิเจม า, าได้ยิดเหนื่อเราใช้จิตติดตามเรื่องเหล่านี้พิเจม า, าตามมีความจริงของมันมันจะไม่จำเลิกไปทางราคาตาาังหะเหนื่อยมันไม่จำเลิกมันเข้าใจในตัวแบบสิ่งเหล่านั้นมันหนีอะไรเป็นของเสวัญสดงดงานให้ ว่าเขาว่าเรามันเหมือนกันมันจะละเอียดท่อไปจะจอยรูปได้เราเห็นเดือดของน้ำภายในนี่คือทางปฏิบัติเรื่องของใจเมื่อมันรูทั่วอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นกาหนดในตป็นอย่างไรกำหนดคนอื่นเป็นอย่างนั้นกําหนดให้เป็นดินมันก็เป็นดินลงไปกําหนดให้เป็นน้ํามันก็เป็นน้ําลงไปมันมีอะไรเป็นศัสเป็นบุคคล เป็นเป็นตัวเป็นเขาเป็นเราเข้าใจชักเตือนอย่างนั้นกินแล้วอย่างนั้นกำหนดลูปไม่ได้พอกําหนดพับทานั้นมันก็ดับไปหมดเพราะมันพอในเรือนทองวุ้มันจะเข้าไปเรือนท้องน้ำอะไรนะสมมติแม่ไหนวายหญิงวายชายวะหนึ่งวายแฉะมันจะติดตามเชื่อท้องนันเหมือนไปยังเหลือเชื่ออยู่ที่ไหนมันก็จะตั้งไมเขาไปที่นั้นนี่เป็นอุบาย เป็นการพิจาราเป็นทางดะเมินของจะเปนจะเห็นอย่างนั้นโดยการทุกคนาหาทนีทดพิจานาจนสาราเรื่องของความปรุงภายในคือร่างฐานเป็นอัตโนมัติของใจโดยเดิมตังม้งเอาไว้มาปรุงอะไรสติจะต้องพันทุกวันทุกเวลาจะพูดอยู่กินอยู่คุยอยู่เดินเห็นไปที่ไหนนันก็ท้าบ ถ้าความปนเปื้อนจิตเกิดขึ้นในตอนแตั้งจะรักษาเหมือนก่อนเพราะสติจปนมหาสติปัญญาเป็นมหาปัญญ า, าสามารถที่จะฟาดัย่นกิเลสปัญหา่ยาความรุงโรจน์ต่างๆให้ใตกไปหมดไปได้มันเนไปมันเห็นมันรู้จะเนที่ไหนเห็นม่รู้ในแต่ที ด, ดูแลจะไม่ทราแบบตามพูดนีมันเท็จินแค่ไหนเพราะเราไม่ท้ทดสอ ไม่ได้พึ่งจะ พ, จะ พ, จะ พ, จะพท่ปฏิบัติเห็นในตัวองตัวจะมีความสงสัยเหวี่ยไปถ้าหากเราเห็นเราเป็นแล้ว ท, ท่นทนานถึงมีธรนมะทางใจประพท่ปฏิบัติได้ถึงในเยื่องอาจทจริงจังเราฟังทคำพูดฟังออกเพราะท่านเห็นท่านเป็นท่านพึงพูดได้อย่างนั้นคนจิตอธิบายตามตลรับตำราจะไม่เข้าถึงจิตถึงใจของเราถึงใจอธิบายรายละเอียดขนาดไหน มันก็ไหลไปตามตำหรับตำราที่ศึกษามาเท่านั้นมันไหลเข้าไปภายในคือการปฏิบัติใจให้เกิดเห็นเปนรู้เฉพาะท่านฉังนั้นการประเทติปฏิบัติจึงเป็นเครื่องวัดจิตของคนได้ปฏิบัติไปถึงขั้นไหนเป็นอย่างไรทาบถ้าเขามาเล่าให้เราฟังท่งานทัศนีมีตาทิ แลต่จะทราบ้าเราเห็นเราเป็นทั้งเราอย่างนั้นเขามาเล่าแต่จิตของเขาเป็นอย่างนั้นเล่าก็ค่อยผ่านค่ยเห็นค่ยเป็นมาจึงมีทางที่จะมาสอนกันได้หากเราเพื่อปฏิบัติด้านจิตเดียกันจะจะเอาปัญหาของโลกมาพูดนั้นบางชาบางสมัยท่านยายจะตอบให้จะตอบให้บางคาบางสมัยท่านนิ่งเฉยไม่ตอบเลยคนที่ มาถามปัญหากับท่านกูถือว่าท่านงา่ท่านงูชาติกูท่านตอบไปจะได้าาระาประโยชน์อะไรกับคนประเภทนั้นในตอบไปมันสบากว่าท่านเลยเน่ตอบให้จะเลยถือว่าเราชนะเราเก่งจาท่านาเป่งอะไรที่เดืยดปัญหายังคล่องจิตจิตใจอยู่ยังมีความสงสัยอยู่โลกเป ล, ลีหลงยังส่วนพัดจิตใจอยู่ จะบาดเบดีตัวไปเสด็จอย่างไรบ้างที่ทำใตทนตอบทำนิ่งก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายตอไปแล้วจะได้อะไรเสด็ขึ้นจากการตอบก็ไม่มีอีก่สำหรับท่านที่จะได้จะเสียกับคนมาถามเท่านั้นตัวของท่านเองมมีการได้การเสียอะไรจิตใจของท่านแล้วถออะไรได้หมดไปทําภาดอยู่แล้วจะเอาอะไรมาผลจนอีกให้ คามดีวิเศษนั้นมีวิเศษจนอีกทั้งกระซ้ามันไม่มีอะไรถ้ามันยังเติมได้มันก็ยังไม่เตมยังไม่พอแต่ขนออกได้มันก็ยังจะเพิ่มได้อีกเหมือนกันฉะนั้นท่านคิดว่าที่ปิดยึดมุดมิดพานนั้นมันเป็นชือมุดเรากุตรัตน์ท่านกาัดสี่พ้นสี่มุพานหนึ่งมันเป็นเชื้มุดผ่านจานั้นเป็นเครเทศ ลบหมดเหมือนเลขเกาตัวพอเลขเาตัวคือหน่สองสามสี่ห้าหเจ็ดแ้ายังมีอยู่อ่านได้เดรบคูณหารได้หลือแต่ศูนย์ตัวเดียวมีศูนย์ตัวเดียวนั้นจะไปเดือรบกับตัวไหนม่เกิดคุณค่าสระให้เดกตัวไหนขึ้นลบตัไหนลงคงอยู่อย่างนั้นจะไปยกตัวได้ไหมวะศูนย์ันมี ในมือทำไมเห็นอยู่ว่าเป็นศูนย์มือผิดผิดตัวพื้นตัวตีบา ด, อ, ดอาจทำกว่าทํา น, นองเดียวกันเมื่อไปถึงจิตที่หมดเรื่องราวที่เป็นอศัศนิยะมนมีอะไรที่จะมาเป็นยุเหล่ปัญหาอีกท่านท้าบที่เป็นอัศวิยะอยู่คือเป็นนักเป็นผลอยูอ่ท่านกา็ทราบเมื่อหมดทุกสิงทุกอย่างท่านกาท็ทราบอีกเมื่อทราบอย่างนั้น ตามีหูมีลิม้ลมีเสียงมีทั่วโลกท่านจะติดขอ้องเข่าหมองละถอนอันนั้นจะเป็นธาสุอันนี้จะเป็นศัตรูจะจิตใจจะทําจิตใจเหน่อเศร้าหมองคนเมัวจะทำจิตใจใหนเหนื่ยใใวยเสียมีเหยียดไม้จะละอะไรอยู่ไปนมีดีฉันสิจะมีอะไรดีขึ้นท่านก็อข้าฉะนั้นท่านจึงมีมีความอยากต่อไปอยากจะไปนิพพานท่านก็นไม่อยากไปเพราะเหตุใด ถ้าท่านเห็นท่านเป็นอยู่ในใจแล้วจะไปอยากทําไมมันหยิบมอยู่แล้วจะไปไปทําไมมันถึงอยู่แล้วไม่มีมอะไระเป็นปัญหานี่คือการปฏิบัติธรรมะที่ทจะทราบจะเข้าใจโดยเจียวเคงตัวเองถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นแล้วจะเศึกษาถ้าตาจีบอกมาจบมันก็ไม่มีการหายสงสัยว่าใจทของตัวเอนไม่ ب, เห็นไม่รู้เพราะนั้นการปฏิบัติไม่รักขั้มใดเราจะถนัด ในใจของเราใจของเราสงบเราจะซาเหมือนเด็กมันพูดได้เป็นแต่มันอิม่มมันซามันเข้าใจเอาอะไรใส่ให้มันก็พายออกมาเพราะมันอิม่มทั้งที่มันพูดไม่ได้ธรรมนะเป็นแปดจัดตงังหรือเฉพาะอย่างนั้นทุกท่านควรประพึ่ปฏิบัติความงงสงบ า, างนดของจิตของใจถึงเราจะเคยเห็นใคยเป็นจะห้าจากการ จะทำมันเพลินของตัวไม่มีอะไรที่จะสงสัยความสุขี้ทำเป็นอย่างไรทำแบบความสุขอะไรเนี่ยถ่าความสุขของทำเมื่อกิจของเราสงบสงบในสัมผัสกับเรื่องของทำราแล้าหาดจากความเป็นความเห็นทำรู้ความผ่อนใจความสุขภายในนี้จะมีสักกี่แสนสี่ล้านไปจังดูที่ไหนมีเห็นคนที่มีเงินมีทางมีทองมีขวานมาขนาดนั้น เขาจะสุกอย่างนี้ไหมเราขอพ่อทราบบ้างไม่มีใครที่จะสุกระสบายเหมอือนจิตที่เห็นที่เป็นในอจในธรรมฉะนั้นผู้ที่ถึงท่านของอดของธรรมจริงจังท่านจึงไม่มีหวังอะไ ร, ท, ไะไร <c oughs> ท่ททานอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้งสงสัยไม่มีอะไรที่จะไปปราบพาจิตใจทั้งท่านให้เศ้าหมองฟองใสใจทอ้งท่านตังตงน้งมั่น ใจทุกท่านสบายเดี๋ยวทุกคนต้องการความสุขความสบายอย่างนั้นภาจำของพุติปฏิบัติเพราะทคําสอนทั้งพุทธเจ้าในั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกท่านใช้ปฏิบัติคนนั้นจะได้มีสิทธิในอดในทำทำเป็นอาาัจจาริโกเมืมีการมีเสมอเห็นป่าวพุทธเจ้าปีนี้พามไปหรือยังอยู่ผู้บวชปฏิบั ต, ต, ออ ต, บติจะรู้ใจเห็นถ้ารู้เห็น แม่อาจแม่ทำแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะโศงไฟใจถือเคยยอกวทเย็เยนเยน็นต่างๆจะสงบระงับลงไปใจที่เคย เ, คยเดือดร้อนเวียนวยจะเย็นจะสะบายนี่คือการประเพปฏิบัติอาจทมคนรู้คนเห็นจึงมีความสุขความสบายภายในจะไม่มีอะไรภายนอกท่านก็มีความสุขความสบายท่าน เวลาเป็นอยู่ทั้งที่ผตานตายไซมีอะไรที่จะสงสัยทุกคนเหนือตั้งใจพระพุทธปฏิบัติแล้วความเห็นความเป็นที่พระพุทธเจ้าเบลเบอกเอาไว้ว่าสมาธิที่สมาบัติเป็นอย่างไรปัญญายมุตเป็นอย่างไรจะทราบชัดในใจไม่มีอะไรสงสัยการต่อพฤปฏิบัติจึงจำเป็นที่เราทุกคน เพื่อเติใจหาความสุขเป็นกำไรในชีวิตจะต้องลงมือต่อเพื่อปฏิบัติในอย่างนั้นมีแต่การคิดตึงต่าขวัญว่าอันนั้นจะนํำสุขมาให้อันนี้จะนําความสบายมาให้มันผิดหวังทางนั้นเพราะสิ่งทั่วไปมันเป็นอมิจังหาความอย่างยั่งยืนเสี่ยงแค่เนอนอนเห่อยในโลกอันนี้มันแปลเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อย ไม่ว่าว hmm. ัตถุหรือจิตใจของตัวเองถ้หากเราก็หมดที่จะมาจะข้าบไม่ใช่ว่ามันคงสนคงว่ามีชเรื่องอยู่จิตวิญญาณของจิตมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงคำว่าจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ทั่วโลกมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปสาดทาติดข้องมันสูกมันสบายพระพุทธเจ้าเห็นเป็นอย่างนั้น จึงมาสอนโลกหยุดหมดที่เด็ดปัญหาเด็นอย่างไรถ้าหากเราหมดประพฤติปฏิบัติในใจของเราแล้วจะสงสัยเว้ยใจเมื่อเราประพฤติปฏิบัติหรือชาติที่จริงมันก็ดับไปได้หายไปได้อย่าไปดูที่อืน่นดูธรรมดูกายดูใจทั้งตัวกําหนดเรื่องนี้ถ้าไปมองไปที่อื่นแล้วไมมีวันเวลานี่จะอิ่มจะพอเหมือนกันกับอาหาร นี่มากขนาดไ ห, ไหนทำไมเจงเข้าไปในตากในท้องเหรอมันไม่อิ่รรมให้ทำมาคําสอนของผู้ใต้จ้าการปฏิเสธปฏิบัติตายใจจึงเป็นเรื่อสงสาคัญดูภายในท้งตัวอย่าไปดูนอกเนอะเราทพิจารณาเรื่องนี้ก่อนต้องทำคือกายนี้รูปแบบทำนามาทำคือเโยงของเวท น, นาสัญญาทั้งฐานยืนยางทายใหม่คิดอ่านกำหนด หรืออยู่ภายใ น, นี้ความอิม่มในอบในทำความพอในอดในทำ <c oughs> ความหายสงสัยในอดในทำจะทราขึ้นจากตัวของตัวเพราะตัวของตัวพิจามณาถูกพิจาราในเรื่องของธรรมความวุ่นวายของจิตของใจจะหายไปเพราะทารักษาใจาอาของฝูงพุทธปฏิบัติในการรับความฝูง สุขประพฤติปฏิบัติอัดทำนั้นทำจะนำความสุขมาให้ในว่าทางกายทางใจทํำคุ้คมครองรักษาสุขประพตรระทติทำไปสถานที่ใดไม่มีภัยอันตรายมีความสุขความสบายตลอดเวล า, านี่คืออานิสงของการประพฤตปฏิบัติขอทุกท่านจงนําไปไขคิดพิจยรณาศึกษาปฏิบัติ จะไม่มีอะไรสงส like ัยว่ททำคำสั่งสอนของผู้ใต้จ้านั้นหมดไปหรือยังเหลืออยู่เพราะเราี้เราเห็นจากตัวของตัวเองการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาพยุติเพิ่งนี้